ระหว่างที่พระกำลังตักอาหารเราก็เจริญสติหรือก็ดูไม่ก็ฟังทมไปเมื่อสักสองปีก่อนมีคนติดต่ออาตมาว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะขอพบนะคนที่ติดต่อ น, นี้เขาเป็นโครงการเจ้าหน้าที่โครงการว well ิชิงเวล เป็นโครงการที่คอยช่วยเหลือเด็กที่ป่วยหนักช่วยยังไงช่วยด้วยการให้ความฝันเขาเป็นจริงก่อนที่จะไม่มีโอกาสบางคนก็อยากจะไปเที่ยวทะเลบางคนก็อยากจะเจอนักฟุตบอลทีมชาติบางคนก็อยากจะได้จักรยาน เด็กผู้หญิงคนนี้แปลงนะบอกอยากพบอาตมาที่วัดไม่ได้รู้จักอาตมาหรอกแต่ว่าเขาเคยมีคนให้หนังสืออาตมาให้เขาอ่านแล้วเขาก็ประทับใจ mm hmm. ก็เลยได้มาเจอกันจากกาลศินก็ถามว่าเขาไม่สนใจอยากจะไปเที่ยวที่นนที่นี่เพื่อให้สมหวังเพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาส เธอเขาบอกไม่มีความสนใจเลยเนะยก็คิดแต่ว่าอยากจะมาพบหลวงพ่อเเป็นมะเร็งที่ขาแล้วก็ต้องตัดกระดูกบางส่วนก็เลยต้องเดินแบบกระเพกกระเพรเห็นครั้งแรกก็ก็สะดุดใจเพราะว่าเด็กหน้าตายิ้มแย้มมากไม่มีอาการคนเป็นโรคมะเร็งเลยอายุแค่สิบสี่เอง ผมนี่ก็ร่วงหมดเพราะว่าใช้แสงด้วยแต่เริ่มเริ่มงอกแล้วผมหลังจากนั้นก็มีการติดต่อ ก, กันเรื่อยมาทางโทรศัพท์บ้างทางอีเมลบ้างปีที่แล้วแกก็มาที่นี่มาฟังธรรมกับเด็กคนอื่นๆซึ่งก็ป่วยหนักเหมือนกันก็พยายามบอกกับเด็กว่าให้ป่วยแต่กายแต่ใจอย่าป่วย ไอ้ป่วยกายนี่ก็เป็นเรื่องหมอดูแลแต่ว่าป่วยใจนี่เราจัดการได้อย่าไปซ้ำเติมตัวเองด้วยการป่วยใจแค่ป่วยกายก็พอแล้วแกก็เข้าใจนะแล้วก็ไม่มีอาการท้อแท้กับชีวิตเลยตั้งใจเรียนทั้งนั่งที่ร่างกายก็อ่อนแอเดินไม่สะดวกเรียนจนกระทั่งได้เป็นเรียกว่า ได้คะแนนดีมากในโรงเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันตอบจริงชนะเลิศแข่งขันแข่งขันอตอบในระดับจังหวัดเธอก็ชนะก็เป็นตัวแทนภาคมาแข่งขันที่กรุงเทพก็ก็ได้ที่สองนะก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความฉลาดนะแล้วก็ทําใจได้ดีมากทั้ง ท, งที่เสียเปรียบคนอื่นเขาร่างกายก็ไม่ไม่ค่อยดี เธอก็ไปตรวจเป็นประจำนะที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คอนแกนเมื่อเช้านี้เขียนอีเมลมาบอกว่าไปตรวจล่าสุดนี่หมอบอกว่าหนูป่วยมากี่ปีแล้วเธอบอกป่วยมาห้าปีแล้วหมอก็บอกว่างั้นวันนี้หนูกลับบ้านแล้วไปฉลองได้เลยนะเพราะว่าหายแล้วน้อยคนที่จะที่ป่วยเป็นมะเร็งแบบเธอแล้วจะมีชีวิตนานถึงห้าปีนะ คือตอนนี้มันไม่มีไม่มีเชื้อมะเร็งพอกขึ้นมาเลยให้กลับไปบ้านฉลองได้เลยส่วนใหญ่แล้วก็ตายแค่นั้นแหละอายุไม่ถึงห้าปีก็ตายป่วยไม่ถึงห้าปีก็ตายแต่ไงเธ อ, อก็จะดูอาการเธอไปเรื่อยๆก่อนอเธอ ก, ก็ก็ดีใจนะแต่ว่าไม่ได้ดิ้งโลดเท่าไหร่เขเขียนมาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะหลวงพ่อหนูไม่กลัวมะเร็งเลยถ้าไม่เป็นมะเร็งหนูก็คงจะไม่ได้มีโอกาสพบหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอปักเจพี่พรแล้วใครต่อใครปักเจก็คือพยาบาลพี่พรก็คือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่งดีกออักแกมากคือพูดงานคือว่าเป็นเพราะแกเป็นมะเร็งแกถึงได้เจอคนเหล่านี้ถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งก็คงไม่ได้เจอ คนดีๆเหล่านี้นะแกก็พวก่วงอาตมาเข้าไปด้วยนะก็เรียกว่าเธอก็บอกว่าเนี่ยไอ้เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ก็ดีแล้วนะนะคือบอกเธอว่าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ก็ดีแล้วนะถึงไม่หายก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามะเร็งมันก็มันก็นําทําให้เธอได้รู้จักนะหลายคนที่ ที่มีคุณค่าเธอเล่าว่าตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยเมื่อทั้งห้าปีที่แล้วเนี่ยแย่มากเลยตอนนั้นก็ยักษสิบสักสิบเอดสิบสองยังมั้งตอนนี้ย่สิบหกแล้วตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรกนี่ทาใจไม่ได้เศร้าซึมไม่พูดไม่คุยกับใครเก็บตัวแต่ว่า หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ธรรมะมาช่วยมีใครมีใครไม่รู้เอาหนังสือตมาให้แก่แกอ่านแล้วแกก็ชอบแล้วก็ทําใจได้งั้นะ แ, แกตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยหนูก็พอใจกับชีวิตแบบนี้แล้วนะคือชีวิตของคนป่วยนะคืออย่างที่บอกมาถึงไม่หายก็ไม่เป็นไรหนูก็พอใจกับชีวิตแบบนี้แล้วนะ แล้วก็เธ อ, อยังพูดว่าบางทีหนูก็คิดว่าหนูโชคดีกว่าคนอื่นนะนี่ขนาดป่วยเป็นมะเร็งนะก็ยังคิดว่าตัวเองนี่โชคดีกว่าคนอื่นเพราะว่าไม่งั้นก็คงจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่ ว, วไปเหมือนกับเด็กทั่ ว, วไปนะก็คงได้ไม่มีโอกาสได้พบธรรมะหรือว่าไม่มีโอกาสได้เจอคนที่มีน้ำใจ แต่มาฟังแล้วก็รู้สึกว่าแกเป็นเด็กที่ฉลาดมากนะอายุแค่สิบหกนะแต่ว่าสามารถที่จะมองมองมเลเร็งเนี่ยอย่างที่ผู้ใหญ่จำนวนมากเนี่ยมองไม่ได้มองไม่เป็นนะก็คือมองว่ามเลเร็งนี่มันก็ทำให้เธอมีโชคเหมือนกัน เพราะถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งก็คงจะไม่ได้เจออะไรหลายอย่างที่ทำให้เธอเป็นอย่างทุกวันนี้เธอบอกว่าเนี่ยที่เธอที่เธอเป็นเป็นเป็นอย่างทุกวันนี้ได้นี่ก็เพราะนะแต่เพราะธรรมะแล้วก็ที่ได้พบธรรมะก็เพราะมะเร็งนั่นเองอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะ ที่จริงเธอก็ทําใจได้นะเรียกว่าตั้งหลักได้แต่อายุสิบสาสิบสี่แล้ว mm hmm. เธอเล่าว่าตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ย mm hmm. ก็ตัดพ่อว่าทําไมต้องเป็นชั้นนะทําไมต้องเป็นชั้นคนที่คิดแบบนี้ได้คือคนที่คิดว่าตัวเองซวยหรือว่ามีเคราะห์นะแต่ว่าพอผ่านไปผ่านไปเอ๊ะมะเร็งมันทําให้ชีวิตเธอเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะ ได้เจอการยันนมิตรหลายคนแล้วก็ได้รู้จักวางใจตอนนี้ก็พูดกระทั่งว่านี่ไม่หายก็ไม่เป็นไรไอ้แม่หายนี่มันก็ถึงตายได้นะแต่เธอก็บอกไม่เป็นไรเพราะเธอไม่กลัวมะเร็งแล้วนะมะเร็งมันไม่น่ากลัวจริงๆสิ่งที่น่ากลัวกับมะเร็งก็คือความกลัวนั่นเองความกลัวมะเร็ง มะเร็งมันไม่ไมน่ากลัวจริงๆนะแต่ความกลัวมะเร็งต่างหากที่ทำให้คนเราตายเร็วเข้ามีคุณป้าคนหนึ่งแกป่วยแกก็ไปหาหมอเข้าๆาอาอกๆโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งไม่รู้เป็นโรคอะไรสุดท้ายวันหนึ่งหมอ ก, ก็บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแกช็อกเลยนะทาใจไม่ได้ กินไม่ได้นอนไม่หลับซึมบอกว่าอยู่ได้แค่สิบสองวันก็ตายไอ้ที่ตายเร็วกว่าที่หมอพยากรณ์นี่มันเป็นเพราะก้อนมะเร็งหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนประกอบนะไอ้ที่เป็นหลักคือความกลัวความตื่นตระหนกนแล้วที่ตื่นตระหนกเพราะว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่น ยึดมั่นในชีวิตยึดมั่นในรัพย์สินหรือว่ายึดมั่นในร่างกายหรือว่าในลูกหรือว่าหลานก็ได้นะแต่ว่าเด็กคนนี้ชื่อยุ้ยี่แกเรียกว่าตั้งหลักไดนะ้แต่ก่อนบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นแต่ตอนนี้บอกว่าชั้นะนี่โชคดีกว่าคนอื่นนะ ฉันโชคดีกวคนอื่นเรียกว่าโตเกินตัวเพราะอาศัยมะเร็งนั่นเองงั้นเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะไปเสียใจนานตั้งหลักให้ได้แล้วจะพบว่าไอเหตุร้ายนี่มันสามารถจะนำสิ่งดีๆมาให้กับเราได้อย่างนักศึกษาคนหนึ่งอายุสิบยีสเ็ดปีก็เป็นมะเร็งที่ เลือดดิวครีเมียเดี๋ยวนี้แกบอกว่าเนี่ยแกไม่ทุกข์แล้วเพราะว่ามะเร็งแกพ่อมะเร็งนี่นําสิ่งดีๆมาให้แกชีวิตแกอย่างน้อยสามอย่างก็คืออันที่หนึ่งทำให้ได้รู้จักพุทธศาสนารู้จักธรรมะอันที่สองก็คือทําให้ได้ทราบซึ้งถึงความรักของพ่อแม่ว่าพ่อแม่รักเรามากถ้าไม่ปวยก็ไม่เห็นนะว่าพ่อแม่รักเราอย่างไงอันที่สามคือว่าทําให้ได้ รู้จักใช้ชีวิตยังไม่ประมาทแต่ว่าถ้าแกไม่เป็นมะเร็งก็คงเหมือนกันนักศึกษาทั่วไปนอนหอพักตื่นตีสอ่ายามเรียนหนังสือสักหน่อยแล้วก็ค่อยไปไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะช็อปปิง้งกินเหล้านอนอีกทีก็ตีสามใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ไม่สนใจความความรู้สึกนิสัยของใครแต่เดี๋ยวนี้แกไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับจะพูดว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งนะคนที่พูดนี้ก็ก็มันก็นยุย่ยอะคือไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ฉันก็พอใจกับชีวิตแล้วไม่หายไม่เป็นไรเพราะว่าฉันก็ได้พบสิ่งดีๆในชีวิตแล้วอขนาดคนเป็นมะเร็งคิดได้ขนาดนี้แล้วเราเป็นเราซึ่งเจออาจเห็นล่าจะเบาวกว่า น, นี้ถ้าเราทําใจแบบ น, นี้ไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรนะจาก สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เตรียมรับพร